พระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นตายลูกเดียวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อเช้าวานเนี่ยบอกวันหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายคืออะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าวะที่พระอานนท์เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าวาที่วันที่พระพุทธเจ้าจะปริมีพ่านด้านมองว่า จะให้ปฏิบัติยังไงต่อศีระของพระพุทธองค์เมื่อพระพุองค์ผ่านไปแล้วปรินิพานแล้วจะให้พวกข้าพองค์ปฏิบัติยังไงกับศีระของพระองค์พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยอา น, นุอานนในเรื่องนี้เป็นเรื่องของมันละกษัตริย์ให้พวกท่านทั้งหลายคือมีหน้าที่ให้เผากิเลสในใจของพวกท่านให้เหอนแห้งอันนั้นคือหน้าที่ของพวกท่านอันนี้เรื่องศีระของเราตถาคตเป็นหน้าที่ของมันละกษัตริย์ แต่นพระนนก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ด้านบนจริงอยู่พระเจ้าค่ะท้งท่างว่ามันลักขัดถามพวกข้าพระองค์ว่าจะปฏิบัติอย่างไงต่อศีระของพระพุทธองค์พระองค์เอ่อถ้าเขาถามอย่างนั้นก็ให้ปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิให้ปฏิบัติอย่างปฏิบัติอย่างศีระของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตเราก็ปฏิบัติตามอย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิ ขานนก็ถามว่าปฏิบัติต่อพระเจ้าจากักรพรรดนั้นทําอย่างไรพระเจ้าข่าเนะี่ยอันนี้ก็คือยือดเยาวไปแต่จุดประสงค์ก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เผากิเลสภายในใจอย่าไปคิดเผาอย่างอื่นอย่าไปทําอย่างอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญยิ่งกว่าการเผากิเลสภายในใจอันนี้พวกพวกเราถือว่าถึงจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ก็ต้องพยายามเผากิเลสในใจให้เหกิดแท่งเร็วที่สุดนั่นแหละ เ, เราจะไปคิดว่าเอเมื่อเราจะตายเออใช่อันนี้ก็จริงอยู่แต่าบางคนก็คิดว่าเออตัวเองจะไม่ตายเพราะไม่ได้เป็นโรคภัยอะไรแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะตายก่อนที่คนเป็นโรคก็ได้อาบางทีอาจจะนั่งรถไปไดีๆรถชนเปี้ยงตายก็มีอย่างนี้เพราะนั้นทุกเวลานาที ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทผมว่า น, นั้นดีที่สุดนะก็ถ้ามันเกิดตามตามทีมมอคิดมอบอกครับเวลาที่ที่โรคนี้มันเร็วเกินจบมันจะแข็งแล้วก็โรแมาแรงมันจะเกิดขึ้นด้วยครับ ก็ในหน้นที่ที่ผมสนใจครับถ้าสมมติว่ามันจะเกิดอย่างนั้นคงคงจะอยู่ที่ออพยาบาแลแต่ก็มันคงจะไม่เป็นสถานการณ์ที่สารวมมากแล้วก็มีครูยด็กอยู่ด้วย แ, แ, แล้วก็มีลายมันมันแจ็บมากแล้วก็ แล่ว่าไม่เคยมีโอกาสอภิปรายมากเท่าทีทาอยู่ในป่าครับก็เลยผมสันใจว่าในสถา น, ถานการณ์เชนนี้ดีก็ไม่แผนสำรวมไม่ได้เราจะดังชิดยังไงดีกับคือทันวางแผนในอนาคตใช่ไห ม, มคืออนาคตถ้าว่า อย่างที่หมอว่าเป็นไวรัสซีต่อไปภายภาคหน้าตับจะแข็งเมื่อตับแข็งแล้วจะกลายเป็นมะเร็งแต่เมื่อกลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะมีใครๆว่าชีวิตของเราช่วงนั้นเป็นชีวิตที่ว่าปั่นปวนที่สุดแล้วเราจะทําตัวยังไงเราจะวางตัวยังไงถ้าสมมุติว่าเราไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล ก็มีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เราจะรับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้ผมว่าถ้าพูดอย่างผู้มีธรรมะอย่างอ็หลวงหลวงตานะหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านขาบอกว่าถ้าว่าเราไปไม่รอดแล้ว รู้แล้วว่าเราเป็นอไรอย่ามายุ่งกับเราอย่าให้ออกซิเจนเราอย่าให้น้ำเกลือเราเราจะตายแบบอิสระตายอย่างเมื่อเราเดพิจารณาแล้วไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดเหรอถึงคราวแล้วเหะอย่ามายุ่งกับเราเราจะตายแบบไม่ไม่ให้ใครมามาเกี่ยวข้องกับเราอันนี้ก็คือผมว่าถ้าทำอย่างนั้นได เลิศประเสรนะอ่าคือเรารู้แล้วพิจารณาดูแล้วว่มันก็ไปไม่หอดอีกแล้วเราจะไปให้เขายุ่งทําไมใช่ไหมไม่ต้องให้เขาปั๊มหัวใจไม่ต้องอะไรไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง อ, ะอ่ะอ่แต่ถ้าจะถ้าจะให้ก็คือให้ยาแก้ปวดถ้ามันทรมานมากตนเอง mm hmm. เอออย่าให้แก้ปวดกระแปครนะับเพราะมันบางทีทุก เ, เวทนาตัวนี้มันเหลือเกินอย่างโรกตับเนี่ยเขาบอกผมว่ามันเขาว่าเวทนาแรงนะบางบางบา ง, บางคนนะ แต่บางคนก็ไม่แรงแต่บางคนโอ้โหเวทนาตัวนี้อ่อนที่จะใจขาดไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าว่ามันแรงอย่างนั้นก็ย่างบ้า น, นะนะถ้าเขาจะให้ก็ให้ยาแล้วทุเราถ้าให้ทุเราแล้วมันยังไม่ทุเราเราก็ต้องกัดฟันสู้ตายเป็นตายกันตายก็นตายอย่านั้นเะเอยแต่บางองค์ไม่เป็นอย่างนั้นนะที่ทั้งที่เป็นกรรมฐานอย่างที่ผมไปที่หมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งที่ตัวเองเป็นมะเร็งเกือบทั่วร่างกายแล้วเขาสายแสงจุดไม่มีที่จะสายแล้วก็ยังถามว่าอาตามาจะหายไหมจนหมอลำคาญอาตามาจะหายไหมถามอยู่ได้งวันทุกวันะอาตามาจะหายไหมจนหมอก็ว่าโอ้ทาไมกลัวตายอย่างนี้กับมาฐานก็มาฐานจะมาขี้ขาดกลัวตายขนาดนี้การรู้อยู่แล้วมะเร็งเป็นอย่างขนาดนี้มันจะหายได้ยังไงเพราะมันไปทุกแห่งหมดแล้ว สิ่งเหล่านี้ผมว่าเราเป็นกรรมฐานเราต้องคิดวางแผนไว้ให้ดีที่สุดเนะี่ยอย่างบอกผมก็จะมาถามผมอีกเหมือนกันว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วเราจะถามเขาอย่างนั้นไหมถ้าเราถามเขาอย่างนั้นแสดงว่าเราเสียมวยแน่แน่่านันเถอะเราไม่ใช่กรรมฐานถ้ากรรมฐานแล้วต้องต้องรู้แล้วอะไรเป็นอะไรต้องวางแผนชีวิตของตนเองการที่จะวางแผนชีวิตของตนเองนั้นไม่ใช่ว่าถึงข่าวนั้น ก, ก่อนที่จะวางแผนนะเราเริ่มวางแผนตั้งแต่บัดนี้ เราคิดไว้เลยถ้าต้องตายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งเอีเมื่อถึงจุดนั้นเราจะทํำยังไงอันนี้นะผมว่าถ้าว่าเราวางแผนไว้อย่างนี้แล้วใกล้ๆว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าอะมรณังเมภาวิสติให้นึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใชัยให้พิจารณาไว้อยู่เสมอถ้าว่าคนที่พิจารณาใจว่าถึงความตายไว้อยู่เสมอผมว่า ไม่สะทกสถานแน่แต่ถ้าว่าคนไม่คิดถึงความตายจะเรียนวันไวววันไวไกวแขวงแน่นอนถึงความตายไม่ใช่ของธรรมดานะณณที่สุดท้ายถ้าสถานการณ์นายก็ได้ถ้าเร า, เรารู้ว่ า, าจะตายในไม่ในไม่ชา้า อ่เพราะมีมีความจำหลายชาเนลนายนายชาแนลนีนนน้แต่เราจะ เ, เราจะเลือกความคิดคิดยังไงดีที่สุดให้ ใ, ใไม่ไมเกิดเอ่อไม่ให้เกิดชานาทีที่ไม่ดี ไอ้พี่พที่ได้ครับอืมอืมไอ้อันนี้คําถามเนี่ยก็จําเป็นและสําคัญนะคือคือขณะที่ว่าความตายเข้ามาถึงเราเราก็รู้ว่าเราจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ในช่วงที่เราจะตายใจจะขาดนั่นแหะเราจะทจําใจยังไงใช่ไหมเราจะจับอารมณ์ไหนนะเราจะจับอยู่ในอารมณ์ไหนในขณะนั้นใช่ไหมอ่า อันนี้สำคัญอันนี้เป็นจุดที่พวกเราควรจะเตรียมไว้เหมือนกันผมว่าถ้าว่าพวกเราปฏิบัตินะอย่างน้อยกระจับที่ตัวผู้รู้ไว้ก่อนนะออย่าไปคิดแต่ว่าตามให้จริงคนที่คนที่มีจิตใจถ้าเราคิดถึงการทําบุญทําทานนะอันนี้ก็ดีแต่ว่าใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อออกจากล่างแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้ พรจิตใจเป็นกุศลแต่ถ้าว่าเราพิจารณาถึงตัวผู้รู้อยู่อย่างเดียวรู้นะคือรู้ไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาแทรกได้เราก็รู้แล้วเราจะต้องตายกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรอยู่ในนั้น เ, เราก็ให้พิจารณาจู่จุดนั้นดูดูใจตัวนั้นตัวเดียวให้ดูใจว่าใจอันนี้มันใครคร่ำไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามา บางทีเผลอเราเห็นอัดเราเห็นร่างกายของเราเราเห็นเบื่อหน่ายคลายในช่วงขณะนั้นเราอาจจะพลิกใจปรกสมะสีไปเลยหลุดพ้นไปเลยก็ได้ถ้าว่าเราไม่พ้นไปล้วก็อยู่ในตัวกรูเกิดในฌานคือสมาธิตัวนั้นไปพรมได้ไง่ายๆ พอวันนั้นทุคเวตนาในกายแลก็พิจฉาละมาัลายครั้งแล้วเาปฏิบัติสัตย์ดีเราอื่แดงร่างกายกับชินกับเวตนาอย่างนี้แต่เราจะปฏิบัติทุคเวตนาในในชิตในใจแล้วก็ตุขเวตนาในร่างกายก็จะเห็นเราจะปฏิบัต ตางกันยังไงหลายกันยังไงเขาที่ผมอธิบายให้ฟังว่าเมื่อครั้งก่อนมันก่อนนะออธิบายเกี่ยวกับเวทนาของจิตแล้วก็เวทนาของกายใช่ผมแยกว่าเวทนาของกายในส่วนหนึ่งเวทนาของจิตนั้นส่วนหนึ่งแล้วเวทนาของของกายนั่นก็คือหลายๆอย่างอย่างหายใจตรงหายใจเข้าออกนั่นก็คือเวทนากาย หิวกระหายปวดอุจจาะปัสสวะก็คือเวทนากายแต่ส่วนเวทนาจิตเวทนาจิตในสิ่งที่มากระทบ เ, เมื่อเราเห็นสิ่งไหนที่มากระทบใจมันก็เกิดความทุขถ้าเห็นสิ่งที่พอใจมันก็เกิดความสุขอันนี้ก็คือเวทนาใจเวทนากายก็คือสิ่งที่เราได้ได้พบได้เห็นสุขเวทนากายก็มี เรากินข้าวนอนหลับนอนสบายอนนี้เป็นว่าสุขเวทนาของกายสุขเวทนาของใจก็คือเดี๋เราได้ได้รับอารมณ์ที่เป็นที่พอใจอันนี้คือเวทนาของจิตอันนี้ทั้งสองอย่างเราจะพิจารณาอย่างไรเราจะแยกแยะอย่างไรเราจดบุ้เห็นปล่อยวางอย่างไรในสองเงือนนี้อันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายเราก็ต้องแยกแยะ ร่างกายเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยใจของเราใจของเราคือนามประธรรมร่างกายเนี่ยเป็นรูปประธรรมมันอาศัยกันอยู่เป็นสองใเออมันสองถ้าแยกกันก็คือเป็นสองคือคนขับรถกับรถอย่างนี้คนขับรถกับรถอย่างนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันในเมื่อรถมันเป็นอะไรขึ้นมาลูกสุกมันติดบ้างเครื่องมันแตกบ้างอะไรอย่างนี้น เราก็รู้ว่ามันมันลถมันเป็นอย่างนี้เฮ้มันเป็นอย่างนี้ลถมันเป็นอย่างนี้แต่นี้พอมันสุดวิสัยที่เราจะเยียวยาที่เราจะรักษาใช่ไหมมันสุดวิสัยแล้วรถคันนี้เราก็ต้องออกเดินออกจากจากรถคันนั้นเพราะสุดวิสัยแล้วแต่พอที่จะซ่อมได้มันก็ซ่อมไปไกลยาวแต่ไปเพิ่มเติมนั่ขึ้นมามันก็ลดันตรงเิื่งใด้แต่รถตอนนั้นมันสุดวิสัยที่เราจะซ่อมได้แล้วเราก็ต้องเดินออกจากออกจากรถคันนั้นไป อันนี้ก็คือคื อ, ค, อคือเราเราเราเราแยกกายออกจากจิตแลกจิตออกจากจา ก, กายสมมื่วานเรามีเราเจ็บจำไหมต่ขณะที่เราเจ็บอันนี้เวลาขณะที่เราเจ็บเราก็ต้องฝึกหัดตั้งแต่เรานั่งสมาธิเวลาเราเจ็บหลังปวดเอวอะไรก็ตามเวลาเราเจ็บขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูที่เจ็บอันนี้คือเวทนาเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาตัวนี้ถ้าหา ใจออกจากล่างซะถึงจะเอาไฟเผาถึงจะอามีดสับมีดฟันมันก็ไม่เจ็บพระใจเราออกจากล่างเดี๋ยวนี้ที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะใจของเรามันอยู่ที่นี่เรามายึดมันอยู่มันก็เลยเจ็บมันก็ให้ความสําคัญมันก็ เ, เจ็บเนี่ยท่านอะไรใจถ่อมพระมันก็หายเจ็บอันนี้เราก็ทดลองหน่อยซิว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะออกไปดูซิเนีเราทดลองออกดูซิเราจะไม่ยึดมันทุนี้เจ็บก็สักว่าเจ็บ ปวดก็จักว่าปวดไม่ใช่เราไม่ใช่กองเราให้เข้ามาทําใจพิจารณาเจ็บก็จะก็เจ็บปวดก็จะก็ปวดไม่ใช right. ่เราไม่ใช่กองเราคือเราต้องพยายามทําอยู่อย like ่างนี้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยๆ่อยต่อหลายครั้งต่อหลายคนพอเรารู้แล้วทำนีชํานาญนเลยสิพอมันเจ็บปุ๊บมันก็ปุ๊บออกมาเลยมันก็จะดูรู้ได้ว่าเอออันนี้คือคือเวทนาของกายเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือการพิจารณากาย แต่พี้ยนาใจของเหมือนกันใจก็ต้องดูในารายละเอียดของใจที่มันมากระทบอย่างที่ผมพูดเมื่อเมื่อเทปเมื่อกี้หน่ยก็ให้ดูใจตัวเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวอความเศรมองก็ดนความผ่องใสพอดีอันนั้นก็คือคือเวทนาหรือว่าความทุกข์ของใจเราต้องแยกแยะให้ออกเออันนั้นละเอียดต้องดูใจชัดๆเลยตัวนั้นแล้วก็เนอนะเราจะปล่อยวาง รู้อย่งจรินจังเลยตอนนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะความเศร้าหมองกดีความผ่องใสก็ดีเป็นอนัตตานะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะปล่อยทิ้งทั้งหมดเลยแต่เมื่อปล่อยทิ้งทั้งหมดแล้วตัวไหนทนต่อการพิสูจน์ที่เราทิ้งไปแล้วมันทนต่อการพิสูจน์ขึ้นมานั่นแหละคือธรรมไอตัวที่มันที่มันไม่ทนต่อการพิสูจน์มันมันก็แตกไป บางทีก็ทำ ท, ทุกวันทุกวันเหมือนกันก็ถ้าอะไรแบบก็บาง ท, ทีมันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายหลายสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ให้กำลังใจแต่แบางทีโดยเฉพาะอยู่ใน สถานการณ์ที่เกี่ยวกันมันจ ะ, จะไม่ค่อยสนใจหรือมันมันแห้งหน่อยถ้าในข้ามนนอนกันั้นในพระเจ้าการะนั้นหลวงพ่อทำยังไงพิจารณาอยังไ ง, ยยงดีครับ อ, อันนี้ที่ท่านถามคำนี้แค่ว่าท่านถามว่าในการปฏิบัติใช่ไหมในเมื่อขณะที่เราไปปฏิบัติอยู่ตามลำพัง หรือว่าอยู่ตามลําพังหรืออ ย, อยู่คนเดียวอย่างนี้แต่บางครั้งใจของเราก็มีความพยายามมีปีติในการทํามีกําลังใจที่จะทำํำนะพอใจในการทําแต่บางครั้งมันจิตใจมันเหี่ยวแห้งอับเฉาใช่ไหมหมดกําลังใจที่เราจะทําและจะปฏิบัติในขณะนั้นในขณะที่มันมีกําลังใจเราก็ไม่ว่าใช่ไหมเราก็มีความสุขใช่ไหม แต่ในขณะที่ว่าจิตใจของเราอับเฉาเหี่ยวแห้งเนี่ยเราจะปฏิบัติตนยังไงอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เคยมีในกรรมฐานในวงการของเราส่วนตัวผมผมก็เคยมีอันนี้นหละผมว่าอันนี้แหละคือถ้าจะวาดไปแล้วจุดนี้แหละเป็นจุดที่พระกรรมฐานออกจากครูบาอาจารย์แล้วสึก หรือว่าออกจากเพศธรรมะไปได้ง่ายที่สุดคือจุดนี้คือสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์หนึ่งที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราก็มีกําลังใจปฏิบัติอย่างไงก็อื่นได้ดีแต่คิดว่าเราออกไปเราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกดีขึ้นไปกว่าอยู่กับครูบาอาจารย์แต่พอออกไปใหม่ๆ ม, มันก็ดี พอออกไปดีแล้วท่นี้พอไปเจอเพราะตัวเองไม่ไม่ได้ไม่ได้ระมัดระวังในสิ่งที่จะเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราบเรื่องรถเรื่องผู้หญิงเรื่อคนที่มาเกี่ยวข้องเราเราก็ปล่อยไปเกินไปเราปล่อยใจเกินไปปล่อยความประพฤติของเราเกินไปรับขนโด้ทั่วไปเกินไปรับไม่รู้จักการเวลาเกินไปเราไม่ได้ระวังตัวอันนี้มันคือมันออกไปทีละน้อยละน้อยในเมื่อมันออกไปท่านี้ คนที่สุดธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่ว่าความชุ่มชื้นแล้ว่าความสุขที่เคยมีมาก่อนมันมันหมดไปมันไปยึดในสิ่งภายนอกไปยึดทางด้านวัตถุไปยึดกับคู่กับคนไปยึดกับลาบยศดสนเสริญลักษณะอย่างนั้นเลพอไปถนนนั้นนี่ในใจมันแห้งนะเจนี่ไอ้หันใจมันแห้งในมันแย้งทีนี้มันก็ออกไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกเมื่อใจมันแห้งมันอยู่ไม่ได้เีนี่ มันกัเกระโดดไปออกไปข้างนอกทีนี้ถ้าว่าทางที่ดีทางที่ถูกต้องนะคือเราต้องระมัดระวังตัวไว้อยู่เสมอเหมือนกับเกลืออย่างที่ว่ารักษาความเค็มไว้ชั้นในก็ให้รักษาความเค็มไว้ชั้นนั้นถึงจะพูดก็พูดอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางออกนอกจากหลักรธรรมวินยัยคือการรับผู่คนหรือการสนทนาปลาลระบบผู้คนก็าตามให้รู้จักประมาท อย่าให้เกินไปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสําหรับผู้ใหม่สาหรับผู้เก่าแล้วไม่มีปัญหาสําสหรับท่านผู้มีหลักใจที่มั่นคงแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ผมพูดถึงว่าผู้ที่หลักใจที่เรามันยังไม่ไม่แสแตนดาร์ดเพราะงั้นเถอะยังไม่สแตนดาร์ดไม่ใกล้ๆว่ามันยังมันยังบันไหวไกวยแขว่งอยู่ถ้าว่าเราเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนกับเราจะไปได้ไปรอดได้ แต่ได้พอไป่นเราก็ไปได้แต่ถ้าได้พอไปเจอในสิ่งเหล่านั้นมันก็เลยทําให้เป๋ไปอย่างนยแล้วจะทํำยังไงที่มันเป๋ไปอย่างนั้นถ้าอันดับแรกก็คือกลับมหาครูบาอาจารย์ถ้ากลับได้อย่างนี้ก็ดีถ้ากลับไม่ได้เท่าไหร่ถ้าเรามีส่วนที่ยัยงไงเราก็กลับไปได้เราจ ะ, จะต้องสูนะ้ผมว่าต้องตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นคงจุดนี้นะเอาไปกราบพระประธานเลย เอผูคลอง้าเสเวียงบาเข้าไปกับข้าพเจ้าหอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีข้าพเจ้าจะ ต, ต้องมอบกายถวายชีวิตต้องตายในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเ อ, อถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันตัดทักนุ๊กเลยนตัวกิเลสตัวนั้น มันจะเข้าไม่ได้เพราะเรามันมันติงไปทางเดียวถ้าว่าเรายังยังถือว่าสิ่งเหล่านั้นยังเป็นยังเป็นสวรรค์ยังเป็นความสุขอยู่หลงแน่นอนอหมดคำถามไมอยังฮะ เอาวันนี้เอาตัว น, นี้ก่อนก็ได้ ม, มั้งผมท้ามจล่นคืนได้ค่ะคุณพ่อเออเอาตอนนี้ก่อนวันนี้นะอ <laughs> ะจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยผมว่ามีความสุขจริงๆมันอยู่กับหลักถิเหมือนกับพูกจิตติด ก, กับหลักไปเลยจิตมันออกไปหากินโอ้พันบ๋อไปกินดึงเขงมาบากมันไปไกลนาเลยพอต่อมาอีกมันมาพิส คนที่สุดมันอยู่กับมันอยู่กับหลักที่นเหมือนกับพูกจิตติดกับหลักไปเลยพอมันจะขยับมันก็รู้เลยว่ามันจะออกเนี่มัจจิตมันขนาดนั้นหรือไงติมันพอมันจะออกปุ๊บรู้เลยมันจะออกโอจิตจะออกวไะแต่ในจิตมันก็อยู่กับตัวเองเถิดเนี่ยดูถึงจะพอนอนหลับไปพอกึ่งเคลิ้มไปหลับปุ๊บตื่นขึ้นมาสติอยู่กับตัวเองตลอดเลยเอีไม่เผลอเลยเหมือ้นเถิดโอ้ดูขนาดนั้นมีความสุขนะ มีความสุขโอ้ขนาดจิตเพียงสงบเพียงแคนี้มันก็มีความสุขเย็นสบายมันมีอารมณ์อะไรที่จะมาเข้าเกี่ยวข้องกัง น, นแต่นี้พอเนาะได้เวลาแนะมันควรจะออกออกไปฉันนะท่นเนี้ยเพราะธุรการงานก็มีจะออกไปฉันเพราะว่าคิดจะออกไปสันนะมันกระโดดออกไปเลยกระโดดออกกระโดดออกห่าดึงมาไว้กระโดด หางออกข่างออกข่างออ ก, ออกพอในส่วเลยเป็นจิตใจปกติอลไรแบบนั้นเออให้เข้าว่าเนี่ยมันมั น, ม, นมันออกอย่างนั้นนะกระดามันออกมันล้างมาอยู่เหมือนกันนะออพอ้นในขณะที่มันมันอยู่กับตัวเองเนี่ยผมว่าจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขจริงๆนะ อ, อ่าเนี่ิตเหล่านี้ผมเคยเคยเคยเคยฝึกมาแล้วแบบนั้นเถอะเนี่ยปฏิบัติมาแล้ว ดีให้หมู่พเพื่อนทั้ง อ, อกตั้งใจนะการภาวนาให้อย่างน้อยก็ให้พวกเรารู้รดที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างที่ประทมคำสัมพสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขังนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราทดลองเลยสิปฏิบัติดูสิว่าจริงไหมจิต ท, ที่มันสงบเนี่ยพันวาหาความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงไหมผมว่าอยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะ นั่งภาวนาบังคับจิตจะบอกให้ว่าบังคับทถูกไปถ้าปล่อยตามธรรมดานะมันจะไม่นะั้นคือเวลามันเผลอไปกั บ, บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะผมว่าน่ะใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบแต่ว่านัตติสติปรังสุขขังนะี่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่ความสุขอย่างนี้ผมว่าคงไม่เหลือวิสัย พวกเราในปฏิบัติในครั้งนี้นะท่าน้นะผมไม่มีอะไรนะเลือกกันนะนะ